เดอะจัมเปอร์กาลครั้งหนึ่งในทวีปอันกว้างใหญ่ของโรวาวมีสงครามใหญ่โตระหว่างสองอาณาจักรเกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งนำโดยราชาจูเลียนแห่งเมเรโดนและอีกฝ่ายนำโดยราชินีมิเนวาแห่งครองการต่อสู้กินเวลานานไปถึงหลายวันเมื่อกองทัพของเธอพ่ายแพ้ราชินีมิเนวาสาบแช่งอาณาจักรเมเรดนราชาจูเลียน เจ้าใช้วิธีทรยศเพื่อชนะในสงครามนี้และข้าขอสาบแช่งเจ้าเมื่อเจ้ากลับถึงบ้านราษฎอนของเจ้าทั้งหมดต้องกลายเป็นสัตว์ข้าขอสาบแช่งเจ้าพูดจบราชินีมิเนวาก็หายตัวไปราชาจูเลียนไม่ได้ใส่ใจกับคำสาบแช่งของเธอและกลับไปยังอาณาจักรของเขาเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีจากลูกสาวของเขาเองวันต่อมาเมื่อเขาอยู่ในพระราชสำนักทันใดนั้น รัฐมนตรีของเขาก็เริ่มกลายเป็นสัตว์ทีละคนทีละคนโอ้ไม่นะคำสาปของเธอเป็นจริงท่านพ่อไม่เพียงรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าทุกๆคนในอาณาจักร ถ, ถูกเปลี่ยนเป็นสัตว์หมดเลยนะ่ะเรียกเราเทพธิดามาเทพธิดาถูกเรียกมาพบแต่พวกเธอไม่สามารถถอดคำสาปได้เลยเรียกลือีมาไม่นานลือศีก็มาถึงแต่เขาเองก็ไม่สามารถถอนคำสาปได้เช่นกัน ว่าบาดคำสาบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มีเพียงผู้ที่่ายคำสาบเท่านั้นจึงจะถอนคำสาบได้หมอมฉันขออภัยด้วยพระราชาและเจ้าหญิงต่างเศร้าใจอย่างมากท่านใดนั้นเจ้าหญิงอาเรียก็นึกอะไรออกบางอย่างอ๋อท่านพ่อท่านจำฮิคาชิโอที่ปรึกษาผู้รอบรู้ของท่านได้หรือเปล่าโอ้จจำได้แน่นอนฮ่าเขากลายเป็นสุ น, นัข แต่ข่าก็วังว่าเขาจะช่วยเหลือในยามวิกฤตแบบนี้ได้ท่านยังจำได้เจ้าหมายความว่าอย่างไงแม้ว่าคำสาปทําให้พวกเรากลายร่างเป็นสัตว์ก็ตามไม่ได้เอาพลังจัด ก, การใช้เหตุผลและคำพูดของมนุษย์ไปพวกเขาน่ยยังคงพูดได้อย่างน้อยก็บางคนนะคะราชายินดีที่ได้ยินเช่นนั้นดีมากเลยทำไมข้าไม่รู้เรื่องนี้เรียกฮิคาชิโอมาเดี๋ยวนี้เจ้าหญิงอาเรีย เรฮิคาชิโอและเขาก็เข้ามาพบยินดีต้อนรับฮิคาชิโอท่านเป็นยังไงบ้างข้ากลายเป็นสุนัขท่านคิดว่าอย่างไงละ่ะอ๋ออ้อโทษทีเราน่าจะลืมเรื่องการทักทายและเข้าไปเดินกันเลยนะนั่นดีเลยละ่ะบอกข้าสิฮิคาชิโอจะถอนคำสาบจากพวกเราได้อย่างไงตามที่ฤาษีได้บอกไว้คำสาบจะถูกทําลายโดยที่ผู้ไร้มันเท่านั้นดูเหมือนว่า มันจะเป็นเพียงหนทางเดียวข้าฟังอยู่เราต้องมอบความสุขให้แด่ราชินีมิเนว่าข้าพร้อมแต่ท่านก็รู้จักนางนางไม่มีวันเห็นด้วยกับความสงบสุขงั้นมอบสิ่งที่นางต้องการเมื่อถึงตรงนี้ราชาจูเลียนเงียบและเศร้าใจมากนางต้องการอะไรหรอคะท่านพ่อฟาบาดนางต้องการดาบเวทมนต์ดาบเวทมนต์อย่างนั้นเหรอ มันเป็นดาบของบรรพบุรุษพวกเราสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมันช่วยให้กองทัพของเราทนต่อความหิวฝ่าฝนแม้กระทั่งพายุทําให้ฝ่ายของเราได้เปรียบศัตรูอูของเจ้ามอบให้กับพ่อและพ่อหวังว่าวันหนึ่งพ่อจะมอบมันกับสามีของเจ้าแอมแอมโอ้ชอยดูเหมือนในตอนนี้จะเป็นไปไม่ได้ ทรงเทพธิดาไปยังคลองเพื่อเชิญราชินีมิเนาว่ามาเทศกาลนักกระโดดในปีนี้บอกนางว่าหลังจากจบงานข้าจะมอบดาบเวทมนต์แด่นางเทพธิดานําข้อเสนอของราชาไปบอกราชินีเธอจึงยิ้มออกมาในที่สุดวันนี้ก็มาถึงข้าตอบรับคําเชิญของเขาช่วยบอกราชาจูเลียนว่าข้าจะไปที่นั่นตามคําเชิญของเขาและรับดาบเวทมนต์มา ในไม่ช้าก็ถึงวันของเทศกาลนักกระโดดประจำปีทุกคนต่างตื่นเต้นราชาและเจ้าหญิงประกาศเริ่มงานเทศกาลราชินีมิเนวาก็มาร่วมงานด้วยตอนนี้ในผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเจ้ากบเจ้ากระต่ายและเจ้าตักกแตเป็นนักกระโดดที่ดีที่สุดที่อยู่ในเมรดันเราจะเริ่มกันแล้วฝาบาทนีเลยสวัสดียามบ่ายทุกท่าน ขอต้อนรับสู่เทศกาลนักกระโดดประจําปีนี้เอาละเริ่มได้ออโอ้โหเยเยเย่โ้โหคนแรกขอให้ทุกท่านพบกับเจ้ากบสวัสดีฝ่าบาทเจ้าหญิงอเ ร, รียราชินีมิเดียวาแห่งคลองและสวัสดีทุกท่านชาวเมเรดนันข้ากบน้อยเจ้ากุูเขาทางตอนเหนือเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเทศกาลนักกระโดดพระราชาค่อนข้างประทับใจกับมารยาทของเจ้ากบ ข้าชอบมารยาทของเขายากรู้จังว่าเขาจะเป็นแบบไหนบางทีถ้าคำสาบทูกคลายออกเราน่าจะขอเข้ามาแต่งงานกับเจ้ า, าเอาอีกแล้วนะคะพ่อเจ้ากบก้าวขึ้นมายังเวทีผู้ชมต่างตั้งตาคอยเขาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดและในขณะที่เขากำลังจะทยาและกระโดด มแมลงวันได้บินผ่านมาใกล้ๆเขาเสียสมาธิและตา ม, มาแมลงวันนั้นไปโอ้โอ้โอ้ข้าควรจะให้ลูกน้อยของข้าเข้าร่วมบ้างเขาคงจะทำได้ดีกว่านั้นเยอะเลยล่ะฮฮฮน่าเสียดายแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าคนต่อไปก็คือเจ้ากราะต่ายเย้เย้เย้ ยินดีที่ได้พบฟาบาทข่ากระต่ายจากเนินเขาทางตะวันตกของแม่น้ำเซลินา่ากระต่ายยืดตัวขึ้นและมีมารยาทที่ดีพระราชาทรงพอพระทยัยไม่สนใจค่ะเจ้ากระต่ายกระโดดอย่างแรงและร่อนลงไปต่อหน้าพระราชาพระราชาทรงประทับใจอย่างมากยอดเยี่ยมมากเจ้ากระตา่ายเยี่ยมมากราชินีมิเนวาสนุกไปกับการกระโดดของเจ้ากระต่าย นางยิ้มและปรบมือออกมาและคนสุดท้ายขอให้ทุกท่านพบกับเจ้าตักแตนเยเย่เย่เย่เจ้าตักแตนเงียบขรึมเขาไม่พูดอะไรเลยและไม่ทักทายพระราชาเลยแม้แต่น้อยจากกลิ่นที่ข้าสัมผัสได้จากตัวเขาข้ารู้เลยว่าเขามาจากครอบครัวที่ดีและมีความกล้าหาญอย่างมากอ๋องั้นก็ดีเลย ขาจะไม่พูดพลั้มทำเพลงเอาล่ะมาพิสูจน์กันเจ้าตั๊ ก, กแตนไปยังจุดกระโดดในทันทีขณะที่กําลังจะกระโดดด้วยสัมผัสของเขาบอกว่ามีบางอย่างพาดอากาศมาอย่างรุนแรงอยู่ทางด้านหลังของเขาเขารู้ทันทีว่ามันคือลูกศรที่มุ่งไปยังราชินีมิเนวาเขากระโดดขึ้นในทันทีและด้วยการเตะอันทรงพลังของเขาทิศทางของลูกศรจึงได้เปลี่ยนไปลูกศรไม่โดนพระราชินี และกระแทกโดนเปลือกไม้ราชินีมินาวาตกใจราชาจูเลียนเองก็เช่นกันทันใดนั้นนกอินทรีที่ถือลูกธนูและลูกศรก็ปรากฏตัวและเริ่มตะโกนต่อว่าตั๊ ก, กแตนเจ้าโงกทำไมแกช่วยราชินีชั่วร้ายที่ทำลายชีวิตของพวกเราท่านเป็นแขกรับเชิญและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของราชาขณะอยู่ที่นี่การกระทําของเจ้าทำลายชื่อเสียงราชาของเราเมื่อได้ยินสิ่งนั้น ราชินีมิเนวาประทับใจอย่างมากขอบคุณเจ้าตกระแตนและราชินีมิเนวาข้าขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงได้โปรดให้อภัยเจ้าอินซีสำหรับความโกรธของเขาฉันไม่สนใจเจ้าอินซีนั่นหรอกนะลูกศรแค่นี้ทําอะไรข้าไม่ได้หรอกไม่แม้แต่จะแตะต้องข้าได้ท่านก็รู้ดีเราต่อสู้ร่วมกันมาอย่างยาวนานแต่ข้าต้องบอกว่าข้านะ่ยประทับใจในตัวเจ้าตะกระแตนมากกว่าเมื่อพูดจบ ราธินีก็ชี้ไปที่เจ้าตะ ก, กะแตนและในไม่ช้ามันก็กลายเป็นทหารรูปงามนั่นแร็กหน้านี่ทหารผู้ยิ่งใหญ่เจ้าหญิงอาเรียยิ้มออกมาเมื่อเห็นแร็กหน้าเธอชอบเขามาโดยตลอดถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยรู้ตัวเลยแร็กหน้าขอบคุณเจ้ามากที่ไม่ทำให้ต้องเป็นห่วงในการแข่งขันและเสียงชีวิตของเจ้าเพื่อปกป้องตัวข้าและชื่อเสียงของราชาจูเลียนขออะไรจากข้าก็ได้ทั้งนั้น ขอพระไทยราชินีแห่งคลองข้าหวังว่าทุกคนในเมเรดันจะได้เป็นอิสระจากคาถาและกลับสู่ร่างมนุษย์อีกครั้งราชินีประหลาดใจกับคำขอของแรกหน้าเจ้าแน่ใจนะว่าต้องการแบบนั้นข้าสามารถทำให้เจ้าร่ำรวยที่สุดในโลกได้ข้ารับรองแ ด, ด่ท่านข้าไม่ต้องการมีสิ่งใดแล้วราชนีมิเนวาประทับใจอย่างมาก เนื่องจากนางไม่เคยเห็นทหารที่เข้มแข็งและพักดีต่อราชาและประชาชนของเขามาก่อนนางหันไปหาทางราชาจูเลียนเรามาแข่งกันต่อให้จบดีกว่านะก่อนอื่นเลยข้าอยากจะรับแล็กหน้ามาเป็นบุตรชายของข้าและแต่งตั้งเขาเป็นทายาทของข้าทุกคนต่างตกใจแม้กระทั่งแล็กหน้าแล็กหน้าเจ้าจะตกลงไหมข้าไม่เคยสัมผัสความรักของแม่ท่านแม่ของข้าเสียชีวิตตั้งแต่ข้าเกิด ถ้าฝ่าบาททรงอนุญาตหม่อมฉันก็ตกลงข้าขอประกาศว่าแลกหน้าเป็นบุตรที่ถูกต้องและเป็นทายาทของราชินีมิโนว์เย่เย <Yeah! S 3> yeah! yeah! ่เย่โอ้เย่ประชาจูเลียนยกมือขึ้นและฝูงชนก็สงบลงและข้อเสนออีกข้อหนึ่งของท่านคือสิ่งใดข้าขอเสนอให้ลูกชายของข้าและลูกสาวของท่านแต่งงานกันเออข้าไม่รู้ว่าลูกสาวของข้า ท่านพ่อคะข้าตกลงคะ่แะแร็กหน้ายิ้มออกมาเขาเองก็รักเจ้าหญิงเช่นกันว้าวข้าไม่นึกว่ามันจะง่ายแบบนี้เอาละมิเนวาท่านได้รับแล้วท่านมีอย่างอื่นจะเสนออีกไหมราชินีมิเนวายิ้มก็แค่นี้แหละเมื่อพูดจบเธอก็ยกมือขึ้นเหนืออากาศและในไม่ช้าเวทมนต์ก็ส่องประกายสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตทุกตัวทีละคน และพวกเขาก็กลับมาเป็นมนุษย์ว้าวเย่เย่ข้ากลับมาแล้วเย่เมเรดันประทุกออกมาด้วยความยินดีแบ็กหน้าและเจ้าหญิงอาเรียแต่งงานกันในไม่ช้าและในวันเดียวกันนั้นฮิกาชิโอก็ประกาศผู้ชนะในเทศกาลนักกระโดดประจําปีระหว่างงานเลี้ยงจากทหารสู่การเป็นตากแตนและจากตะกะแตนสู่ทายาทแห่งคลอง แรกนาเป็นนักกระโดดที่ดีที่สุดเขาคือผู้ชนะและดังนั้นสงครามระหว่างสองอาณาจักรก็ได้ยุติลงและทุกๆคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนิรันดร์